มกราพรแลม12คำเดินเกียร์การพูดธรรมะสำหรับบุคคลผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใจในการปฏิบัติธรรมหรือยังไม่ยังไม่เคยเข้าใจเรื่องซีวิสของตัวเอง เรามาพูดกันเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องชีวิตของตัวเองให้แก่พวกที่ยังไม่เคยได้กินยังไม่เคยได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วผู้ที่ฟังนั้นนี่ยต้องพิจารณาใครควรด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าชีวิตนี้ มีอยู่เพื่ออะไรและธรรมนั้นมีเพื่อไว่ใช้ประโยชน์อะไรธรรมกับชีวิตจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยวิธีไหนต้องพิจารณาด้วยตัวเองอันนี้เป็นหลักษณะของบุคคลผู้ที่มีปัญญา บัด น, นี้บุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่แหลมคมต้องมีวิธีการและเทคนิคให้เคลื่อนไหวตัวเองอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมและเป็นการปฏิบัติชีวิตเป็นการปฏิบัติจิตใจเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เรื่องนี้ ประกาศมาพูดมาให้คนฟังมาตั้งแต่ปีพศ2513พูดมาอยู่ย่างนั้นตลอดมาแม้ตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนก็พูดในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจิตใจของคนทุกคนเหมือนกันและก็ต้องปฏิบัติได้ เหมือนกันผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ตายก็ปฏิบัติได้พระสงฆ์องค์เนก็ปฏิบัติได้คนไทยคนจีนก็ปฏิบัติได้ธรรมะนั้นจึงเป็นอันเดียวกันหรือว่าชีวิตจิตใจก็เหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันเป็นอันเดียวกันคือการ ชีวิตจิตใจก็เป็นอันเดียวกันคือกัน <c oughs> ดังนั้นจึงแนะนำบุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญาแหลมคมให้เคลื่อนไหวเทคนิคของมันนั่งพระเพียรก็ได้นั่งเยียดขาก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าอยู่ก็ได้ เอามือวางไว้บนขาคู่อาไว้ค่อยๆพลิกมือขึ้นเคลื่อนขึ้นมาให้รู้สึกตัวในขณะมันเคลื่อนมันให้รู้สึกตัวเรียกว่าตั้งใจหรือว่าตั้งสติว่าอย่างนี้ก็ได้ตะแคงสันไว้ตรงๆ <c oughs> ไม่ให้มันเอียงมันเอียง ยกขึ้นครึ่งตัวยกขึ้นตรงครงึ้นตัวแล้วก็หยุดไว้มันหยุดก็ให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งมันไม่เคลื่อนไม่ไหวกาให้รู้สึกเรียกว่าให้มันสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นนั้นบัดนี้เอา ค, อ ค, อค่อยๆเคลืนเลื้อนลงมาที่สะดือ เมื่อมือมาถึงที่สะดือแนบแน่แนอยู่กับที่สะดือแล้วให้มีความรู้สึกสัมผัสหรือผัสสะกับสิ่งนั้นๆอยู่บัด น, นี้พลิกมือซ้ายขึ้นจันตะแคงไว้ตรงๆให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหวยกขึ้นครึ่งตัวให้มีความรู้สึกตัวเอามาแนบไว้ ที่มือขวาหยุดเป็นพักเป็นพักเป็นพักให้มันมีความรู้สึกเป็นพักเป็นพักเนื้อจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มันรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติชีวิตเป็นการปฏิบัติจิตใจชีวิต ที่มีอยู่ก็เพราะลมหายใจธรรมะมีอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเพราะมีการเคลื่อนไหวจิตใจที่มันนึกมันคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีชีวิตมีจิตมีใจมีลมหายใจคนมันต้องเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดังนั้นจึงแนะนําหรือ สี่แนววิธีปฏิบัติให้กับบุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญาแหลมคมเมื่อปฏิบัติไปให้รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวขึ้นนั้นเป็นรูปสิ่งที่รู้การเคลื่อนไหวขึ้นไปนั้นเป็นนามรูปกับนามจึงมัติดกันแยกออกจากกันไม่ได้เมือเ่อแยกออกจากกันได้เมื่อใดเมื่อนั้นก็หมดลมหายใจหมดชีวิต หมดจิตหมดใจเรียกว่าตายกั น, นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติชีวิตไม่ได้ปฏิบัติจิตใจไม่ได้ปฏิบัติได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้แต่เมื่อมีชีวิตมีจิตมีใจมีลมหายใจอยู่นี่เองนี่คือเป็นการปฏิบัติธรรมทุกๆคนปฏิบัติได้ ดังนั้นธรรมะหรือคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสากลคาว่าเป็นสากลนี่ทุกคนปฏิบัติได้และปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ปฏิบัติได้เป็นญาติเป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นคนราบใดภาษาดใดถือศาสนาไหนก็ได้ถือลทัทธิอันใดก็ได้ ไม่ผิดกันเลยเพราะว่ามันมีกายกับใจภาษาที่เราพูดภาษาธรรมะปัญญาเกิดขึ้นนั่นเลยว่ารูปกับนามรูปได้แก่ร่างกายนามได้แก่จิตใจกายก็ที่เรามองเห็นใจที่เรามองไม่เห็นที่มันนึกมันคิดเราต้องปฏิบัติเรื่อยๆอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ถ้าเราไปนึกว่า เ, นเหนื่อยแล้วหยุ ด, ดอันนั้นเรี๋ยว่าไม่ติดต่อไม่สัมพันธ์มันไม่โยงกันตั้งแต่ต้นจนปลายบัด น, นี้ปฏิบัติให้ติดต่อให้มันสัมพันธ์โยงกันตั้งแต่ต้นจนถึงปลายนั่นก็หมายถึงเราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้พิตาก็รู้ เลือดท้ายแลลวขัวก็รู้ตาเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้เกินน้ำลายก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้อันนี้เรียกว่าเห็นธรรมไม่ต้องเห็นที่นอกตัวถ้าเห็นนอกตัวลงไปนั้นมันเป็นมายาของจิตใจมันลอกลวงเรามันโกหกเรา คนโูราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าจิตคนนี้กอกกับได้ไวดุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับกนให้จิตใจหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้มันคิดไปตามอารมณ์เรียกว่าหมุนไปในทางข้างกีข้างกีก็หมายถึงคมชั่วร้าย กิเลนั่นเองธรรมที่มีก็จกักหนีจากนายหายศูนญธรรมที่มีนั่นคือตัวรู้นั่นเองคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองถ้าหากเราไม่รู้ก็เรียกว่าธรรมที่มีก็จักหนีจับนายหายศูนย์ญธรรมความระยำสมบูรณ์มันก็ปีนปอกหลอกเรา ปิ้นปอกหลอกตอนอทมก็คือเราไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองมันก็ปี้นปอกหลอกเราจึงเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ที่นอกตัวเราไปเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติกับธรรมาติธรรมาตาของคนนี่มันมีขามีแขนมีมือมีเท้ามีตามีหูมีจมูกมีเลน กินข้าวกินน้ำอุจจาระปัสสาวะได้นี่คือธรรมชาติมันจริงๆศึกษากันลงไปที่ตรงนี้เมื่อศึกษาเข้ามาที่ตรงนี้มันก็รู้จริงเห็นจริงเห็นเรานั่งเห็นเรายืนเห็นเราเดินเห็นเรานอนอันนี้แหละคือธรรมชาติและก็มีหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็มีจิตใจมันนึกมันคิดเราอยากเข้าไปในความคิดเมื่อมันนึกมันคิดเราไม่เห็นมันคิดออกไปข้างนอกคิดออกไปบางข้างบางข่าวนอนไม่หลับนักศึกษาเรียนหนังสือถ้าเรียนทางธรรมนักทาตีทาโทรทมเอกเป็นมหาป ร, ริญญาสามสี่ห้าหกเจ็ด 89ก็ตามไม่ได้ดูชีวิตดูจิตดูใจของเราแล้วนั่นก็เรียกว่าเรียนออกนอกตัวไปเรียนออกนอกตัวไปจิตใจมันนึกมันคิดตายออกไปข้างนอกจิตใจมันนึกมันคิดตายออกไปข้างนอกไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจทุกเกิดขึ้นผลที่ไม่เห็นนั่นแหละ เอามาให้เป็นคุก น, นอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นโรคประสาทไปก็มีกันเป็นจำนวนมากแม้คนเรียนทางโลกแับนี้ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ป .7 หรือมัธยม1มัธยม2มัธยม3มัธยม4มัธยม5หรือมัธยม7มัธยม8เรื่องนี้อาตมา ไม่เคยได้เรียนแต่เพียงได้ยินเพื่อนฝูงหรือเพื่อนมนุษย์คนทั่วไปเคยพูดให้ฟังอย่างนี้ก็เลยจํามาพูดให้ฟังเมื่อเรียนจบมัธยมแปดแล้วก็เรียนสอบไล่เข้าไปในมหาวิทยาลัยเรียนปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกได้หลายปริยาเอกก็ต่าง ถ้าหากยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจความคิดความคิดมันกระซ้ายทรงออกไปข้างนอกเมื่อมันออกไปข้างนอกมันก็ไปทรงจาเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดดีใจเสียใจผลมันออกมาก็ได้หลับทุบกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทกันก็มีเป็นจำนวนมาก การศึกษาแบบนั้นดีแล้วบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นการที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้กลไกเทคนิคของจิตของใจนี่เองเมื่อเรามามองดูลงไปสภาพการเคลื่อนไหวทางรูป ก, กายนี่ก็รู้สึกตัวจิตใจมันนึกคิดก็รู้สึกตัว แต่เรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวทางรูปกายนี้เองเราจะไปอยู่กับการเคลื่อนไหวของจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่นไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนจับไม่ถูกมองไม่เห็นรูปกายนี่มันจับถูกได้แตะต้องได้มองเห็นได้สัมผัสได้ด้วยมืออันส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่น มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเรียกว่าปัญญาหลอกรู้เมื่อเรามีปัญญาหลอกรู้แล้วมันนึกมันคิดเราก็เห็นเราก็รู้ความเห็นจิตนึกคิดนั่นเป็นมรคความเห็นจิตนึกคิดนั่นเป็นมรคมรคจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับ เมื่อเรามักเราต้องดูลงไปที่ตรงนี้และก็ปฏิบัติไปที่ตรงนี้ผลมันออกมาเรียกว่านีโลดพ้นไปจากทุกพ้นไปจากการปรุงแต้มพ้นไปจากการยึดถือพ้นไปจากการมีโทสะโมหะโลภพ้พนไปจากการยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากสิ่งทางปวงนั่นท่านเรียกว่านี่โลดแปลวความพ้นไป คนไปจักทุกท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่มีปัญญาก็พิจารณาเห็นแจ้งาตามความเป็นจริงแล้วก็เอาไปใส้กับการกับงานได้ทุกวิธีการงานก็เป็นธรรมตัวปฏิบัติลงไปก็เป็นธรรมธรรมะนั้นจริงเอาไปใส้กับการกับงานได้ทุกวิธี ดังนั้นคนใดรู้รมเห็นธรรมเข้าใจทำแล้วจึงทำการทำงานไปตามหน้าที่ไม่มีความเกียจค้านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเราคิดดูถึงพระพุทธเจ้าของเราแต่เมื่อสมัยพระองค์รู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะทราบซึ้งในธรรมะที่ตัวรู้ตัวเห็น โตได้โตเป็นโตมีนั้นแล้วพระองค์ก็นําไปเทศไปสอนเมื่อพระองค์ได้เทศได้สอนได้ลูกศิษย์จํานวน5คนหรือหลายคนก็ไม่ทราบและเพราะว่าได้ยินแต่ปูบาอาจารย์เราให้ฟังว่าพวกปัญจาวัคคียทั้ง5นี่ได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระองค์แล้วเป็นอย่างพระองค์มีอย่างพระองค์แล้ว สัมผัสแนบแน่นอยู่เหมือนอย่างพระองค์รู้นั้นแล้วก็นำไปเทศไปสอนพระองค์จึงแนะนำบอกว่าอย่าไปนากันสองคนเพราะว่าให้ไปคนเดียวเมื่อไปพร้อมกันสองคนแล้วมันน้อยคนมันต้องไปได้หลายทางถ้าไปคนละทางละทางกันมันได้หลายทางถ้าไปพร้อมกันมันได้ทางเดียว สองคนไปด้วยกันถ้าหกคนก็ได้สามทางเท่านั้นเองบัดนี้ไปคนละทางละทางกันก่อนได้หกทางหรือหกเส้นทางอย่างนี้ไปได้หกคนแล้วหกคนนั่นแหละก็พูดก็สอนเรื่องที่ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามแล้วแต่เทคนิคคนไกลของครูบาอาจารย์นั้นจะสอนให้เขาทำวิธีใด แล้วก็ทำไปตามอุดมการของตัวเองที่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนั้นพระองค์สอนอย่างนั้นแต่ความพ้นทุกนั้นเหมือนกันแม้พระองค์ก็เคยตัดเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคต คำว่าคือกันนี่ก็มีแข้งมีขามีหน้ามีตามีมือมีเท้าเหมือนกันคือกันมีจิตมีใจเหมือนกันคือกันแต่ว่าสูงต่ำดําขาวนั่นไม่เหมือนกันไม่คือกันสติปัญญานั่นก็คือกันแต่ไม่คือกันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันที่คือกันเหมือนกันนั้นถ้ารู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นได้แล้ว จะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยก็แสดงว่าหมดทุกข์ถ้าเรายังมีความสงสัยแสดงว่าเรามีทุกข์ความทุกข์นั่นจึงแยกออกมาหลายอย่างหลายประการดังนั้นเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาก็ดีผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ดีปฏิบัติรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เหมือนกัน แต่คนที่มีปัญญานั้นพิจารณาแล้วลดมานะลดทิฏฐิลดความเห็นแก่ตัวเรียกว่าขมโกรธขมโลภผมหลงนี่ให้มาลดน้อยไปคนที่ไม่มีปัญญาบันี้ต้องประพฤติปฏิบัติให้มีญาณเกิดขึ้นเมื่อมีญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็รอบรู้มันมันมันจืดจางไปเองคูนี่จืดจางไปเอง อันนี้เนี่ยวะรู้เห็นเข้าใจเพราะยานปัญญาการปฏิบัติธรรมส่วนพิจรารณานั้นเนี่ยวาปัญญาพิจรารณ า, นาด้วยการเห็นแจ้งอันนี้มันผิดกันอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็มียานปัญญาเกิดขึ้นจากจิตจำนึกผู้ที่พิจรารณ า, าเอานั้นเนี่ยวา พีจานณาตามธรรมชาติให้เห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นคนเราเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นนี่ว่าความเหมือนกันความคือกันมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ที่เราเคารพนับถืออยู่ทุกวันนี้ท่านว่าสัตว์ทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตหรือว่าเราผููเป็นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าพระตถาคตกับพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นคําเดียวกันบางคนก็ว่าพระตถาคตบางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าบางคนก็ว่าสมณะโคดมแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะเรียกจะขานกันมันเป็นสมมุติพูดขึ้นมา ดังนั้นท่านว่าทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหง น, นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอหรือพวกเราทั้งหลายให้พวกเธอพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติย่างเราตถาคตนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติย่างเราตถาคตนี้แล้วก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมี ย่างเราต่ถาคนนี้รู้เห็นอะไรรู้เห็นตัวเราเป็นยังไงเป็นอย่างที่เราเป็นลองรู้เห็นเป็นมีอย่างที่ตัวเรามีมีคือความไม่มีทุกข์มีคือควไม่มีทุกข์เหมือนกันอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนที่ว่าให้เราจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญแปลว่าทําให้มาก จะเลิญแปลว่าทำให้มากทามากมันก็จะเริญขึ้นมีขึ้นมากขึ้นความรู้สึกมีมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้เมัอก็ลดน้อยไปลดน้อยไปดังนั้นเมื่อเห็นรู้เข้าใจการเคลื่อนการไหวนี้มากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้ไม่เห็นมันก็ลดน้อยไปลดน้อยไปมีแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจ ความสัมผัสได้อยู่ทุกขณะทุกเวลาแล้วเรียกว่ามันสมบูรณ์เรียกว่าเจริญเป็นอย่างนั้นบบบ น, นี้เมื่อเห็นจิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นจิตใจมันนึกมันคิดก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดมันก็เข้าไปสัมผัสแนกแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นมาก จึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงอมดับทุกข์เมื่อเห็นรู้อย่างนั้นเนี่ยเป็นมาผลมันออกมาก็ไม่มีทุกข์คือไม่มันยึดไม่ถือรู้เท่ารู้ทันรู้จักคันรู้จักแก้นี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆหลรัดๆสั้นๆใครเอาไปปฏิบัติก็ได้จึงเป็นหลักสากลเป็นหลักสากลเพราะทุกคนปฏิบัติได้ นั่งนอนเดินเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ดูการเคลื่อนไหวดูจิตดูใจเวลาสันอาหารก็ดูจิตดูใจดูการเคลื่อนไหวจับอาหารเข้ามากินก็รู้เพราะมันเคลื่อนไหวไปเลยที่เราไม่รู้เราไม่เคยกาหนดมันเลยไม่เป็นการปฏิบัติธรรมะมันก็เคลื่อนไหวไปโดยตามสัตยาณเป็นไปตามธรรมชาติของมัน เหมือนกันกับสัตว์สัตว์มันไม่มีความจมันจำไม่ได้มันก็เคลื่อนไหวไปมาเหมือนกันกับคนเหมือนกันกับมนุษย์ดังนั้นจึงว่าคนมันเป็นหน้าที่ฝึกหัดได้มนุษย์มันเป็นหน้าที่ฝึกหัดได้สัตว์เดราจารฝึกหัดไม่ได้เพราะมันไม่มีคนจดจำดังนั้นพวกเราทุกๆคน เกิดมาแล้วในโลกนี้คนโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์ก็ตามนิพพานก็ตัดเป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติของมนุษย์ท่านจึงสอนว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ษยเป็นสมบัติขอ ง, นนองคนที่จะ ทำได้แล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันทุกผลดังนั้นพวกเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวเราเกี่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติชีวิตเป็นการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจเป็นการปฏิบัติตัวเราคนเราเมื่อไม่มีการพัฒนาแล้วจิตใจมันก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยคบกับ สต้าบุรุษบุคคลผู้ที่มีขมรู้เมื่อไปทำมันก็เลยไม่รู้ไปนั่งภาวนาพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกพองยุบดูลมหายใจอันใดก็าตามเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อจะมาลดโทสะโมหะโลภะนี่เองไม่ให้โทสะโมหะโลภะ เกิดขึ้นได้ภายในใจิตใจเพราะโทสะโมหะโลภเป็นของเนา่าเป็นของเหม็นเป็นของสปกปรกเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรียกว่ามรรคมรรคจะเป็นข้อปฏิบัติไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นการปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องไปอ้างียงศึกษาเอากับตำลับตำลาก็ได้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้ เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้วควบยึดมั่นถือมั่นเป็นตนเป็นโตมันเป็นทุกข์เราก็เลิกจากสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปยึดไปถือมาดูที่จิตที่ใจของเราอยู่เสมอนี่เป็นการปฏิบัติง่ายๆคนเราเมื่อตายไปแล้วร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรเลยเอาไป ขุดดินลงแล้วเอาไปฝังลงดินแล้วเอาดินกบหน้าผมหน้ามันก็ไม่รองว่าหายใจฟืดด้นเออนอนยากเดอ้อมันก็ไม่พูดได้เอาไปขึ้นกองไฟเอาไปโยนใส่กองไฟไฟไหมมันก็ว่าร้อนเก็บมันก็ไม่พูดได้ไม่คุยได้เพราะมันไม่มีผมรู้สึกมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตมีใจ แล้วนั่นกายใจได้จริงแยกกันได้แต่เมื่อยังมีลมหายใจแยกกันไม่ได้แต่ปฏิบัติได้เห็นได้เข้าใจได้เมื่อหมดลมหายใจแล้วก็แยกกันได้ทีเดียวจะว่าแยกกันได้ก็ได้หรือจะว่าแยกกันไม่ได้ก็ได้เพราะเรามองไม่เห็นจับไม่ถูกเราต้องศึกษาปฏิบัติให้มันเห็นให้มันรู้ ให้มันเข้าใจแต่เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่นี้ยังมีชีวิตอยู่นี้เดินดินกินข้าวอยู่ที่นี้ไปไหนมาไหนอยู่ที่นี้นี่แหละคือเป็นการปฏิบัติธรรมให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพระพุทธรูปเห็นลูกแก้ว เห็นอันนั้นมันเป็นมายาของจิตใจคูบาอาจารย์สอนว่าเป็นนิมิตอันนั้นก็จริงเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นจริงนั้นไม่เป็นของจริงเห็นจริงแต่ไม่เป็นของจริงทําไมจึงไม่เป็นของจริงเพราะจิตมันหลอกเราเหมือนกับคนเล่นกลคนเล่นกลไม่ได่เล่นของจริงมันหลอกลวงบุคคลที่ยังไม่สละ มันหลอกลวงบุคคลที่ยังไม่รู้ดังนั้นจิตเราก็เหมือนกันมันหลอกลวงเราได้แต่เมื่อเราไม่เห็นมันหลอกลวงได้เราได้แต่เมื่อเรายัางไม่สลาดมันหลอกลวงเราได้ต่อเมื่อเราเห็นเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราสัมผัสแนบแน่นอยู่กับตัวมันแล้วมันหลอกไม่ได้มันลวงไม่ได้มันตลกไม่ได้ ถ้าจึงสอนว่าจิตคนนี้ก อ, อกกับได้ไว้บุตรมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับกนให้จิตหมุนมาแต่นในทางข้างดีเพราะปล่อยให้มันหมุนไปในทางข้างกี้ทําที่มีก็จากหนีจากนายหายสูญทําเข้าครอบงำโภมระยำสำบูรณ์ก็ปีนปอกหลอกต้นมันหลอกตัวเราดังนั้นที่ อาตมาลูกหลวงพ่อได้นำมาแนะนําว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้สนใจนําไปปฏิบัตินั่งทำนอนทมเดินทำไปไหนมาไหนก็ได้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติชีวิตเป็นการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจมันจะคอยรู้คอยเห็นคอยเข้าใจมีความสํานึกํานานมากขึ้นมากขึ้นที่สุดหลวงพ่อ